1นอันตรายะอนาปัฏิวัตชะเชทวันว่าด้วยการขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัดในเมื่อมีอันตรายเรื่องสัตว์ร้ายเบียดเบียนข้อ200สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจำบรรษาณอาวาสแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลถูกสัตว์ร้ายเบียดเบียนมันจับเอาไว้บ้างวิ่งไล่ไปรอบรอบบ้าง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเข้าจำบรรษาถูกสัตร้ายเบียดเบียนมันจับเอาไปบ้างวิ่งไล่ไปรอบๆ บ, บ้างภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่านั่นแหลอันตรายไม่ต้องอบัตเนื่องเพราะขาดพรรษาเรื่องงูเบียดเบียนภิกษุทั้งหลาย อันนึงในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเข้าจําพรรษาถูกงูเบียดเบียนมันขบกัดเอาบ้างเลื้อยไล่ไปรอบๆบ้างภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสำคัญว่านั่นแหล่อันตรายไม่ต้องอบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องพวกโจนเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเข้าจำพรรษาถูกพวกโจนเบียดเบียนมันปล้นบ้างรุมตีบ้าง ภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสําคัญว่านั่นแลอันตรายไม่ต้องอาบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องปีศปาจรบกวนภิกษุทั้งหลายเข้าจําพรรษาถูกพวกปีศาจรบกวนมันเข้าสิงบ้างฆ่าเอาบ้างภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสําคัญว่านั่นแลอันตรายไม่ต้องอาบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องหมู่บ้านถูกไฟไหมภิกษุทั้งหลาย อัในกรณีนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายเข้าจำพรรษาหมู่บ้านถูกไฟไหม้ภิกษุทั้งหลายลําบากด้วยบินทบาทภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสําคัญว่านั่นแล่อันตรายไม่ต้องอบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องเสนาสนะถูกไฟไหม้ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายเข้าจําพรรษาเสนาสนะถูกไฟไหม้ภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนด้วยเสนาสนะ ภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสําคัญว่านั่นแหลอันตรายไม่ต้องอาบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องหมู่บ้านถูกน้ําท่วมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายเข้าจําพรรษาหมู่บ้านถูกน้ําท่วมภิกษุทั้งหลายลําบากด้วยบินทบาทภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสําคัญว่านั่นแหลอันตรายไม่ต้องอาบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องเสนาชนะถูกน้ําท่วม ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายเข้าจําบรรษาเสนาสนะถูกน้ําท่วมภิกษุทั้งหลายเดือดร้อนด้วยเสยนาสนะภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสําคัญว่านั่นแหลอันตรายไม่ต้องอบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องชาวบ้านอพยพไปเพราะโจรภัยข้อ201สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจําบรรษาในอาวาแห่งหนึ่งชาวบ้านอพยพไปด้วยโจรภัย ภกิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบเรื่องทรงอนุญาตให้ตามทายกมีจํานวนมากกว่าชาวบ้านแตกแยกเป็นสองพวกภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ตามชาวบ้านที่มากกว่าไปชาวบ้านที่มากกว่าไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใส ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอรานุญาตให้ตามชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใสไปเรื่องไม่ได้โภชนาธรรมดาหรือประณีตเป็นต้นสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเข้าจําพรรษาหนาวาดแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลไม่ได้โภชนาอาหารธรรมดาหรือประณีตบริบูรณ์ตามต้องการ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 ภิกษุทั้งหลายเข้าจำพรรษาได้โภชนาหารธรรมดาหรือประณีตบริบูรณ์ตามต้องการแต่ไม่ได้โภชนาหารที่สบายภิกษุเหล่านั้นพึงหลีกไปด้วยสําคัญว่านั่นแหลอันตรายไม่ต้องอบัดเนื่องจากขาดพรรษาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายเข้าจําบรรษาได้โภชนาหารธรรมดาหรือประณีตบริบูรณ์ตามต้องการและได้โภชนาหารที่สบายแต่ไม่ได้เพสัตวที่สบาย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 อบัตเนื่องจากขาดพรนสาเรื่องสตรีนิมนต์ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้สตรีนิมนต์ภิกษุผู้เข้าจำพรรษาว่าท่านจงมาแถิดเจ้าข้าดิฉันจะถวายเงินทองนาสวนพ่อโคแม่โคธาต ท, า, ทาสีแก่ท่านหรือจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาของท่านดิฉันจะเป็นภรรยาของท่านหรือจะนำสตรีอื่นมาให้เป็นภรรยาของท่าน ในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตกลับกรอกเร็วนักสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้พึงหลีกไปเสียไม่ต้องอบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องหญิงแพทย์สยานิมนต์ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้หญิงแพทย์สยานิมนต์ภิกษุผู้เข้าจําพรรษาหญิงสาวเถธอนิมนต์บรนดอนนิมนพวกญาตินิมน พระราชาทั้งหลายนิมนต์พวกโจร น, นิมนต์พวกนังเลียงนิมนต์ภิกษุผู้เข้าจบับบรรษาว่าท่านจงมาเถิดขอรับพวกผมจะถวายเงินทองนาสวนพ่อโคแม่โค ท, ท่าทาสีแก่ท่านหรือจะยกลูกสาวให้เป็นภรยาของท่านหรือจะนําสตรีอื่นมาให้เป็นภรยาของท่านในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตกลับก่อกเคล้านัก สักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้พึ่งหลีกไปเสียไม่ต้องอาบัตเนื่องจากขาดพรรษาเรื่องพบขุมทรัพย์ภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเข้าจะพรรษาพบขุมทรัพย์ไม่มีเจ้าของในเรื่องนั้นถ้าภิกษุคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจิตกลับกรอกเร็วนักอีกหน่อยจะเป็นอันตรายแก่พรหมจรรย์ของเราก็ได้ เพิ่งหลีกไปเสียไม่ต้องอบัดเนื่องจากขาดพันสา